พระธรรมเทศนาแผ่นที่53ลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่18มิถุนายน2556มีชื่อเรื่องว่าผ้ากาสาวพัฒ เมือเ่อเนี่ยเป็นวันที่สิบแปดมิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบหกพระสามสิบเก้ารูปพระในวัดของเอานะลงมาชันสามสิบห้างดชันสี่นาคสี่วันนี้จะได้บวชนาก 4. บวชนั ก, นกพระหนึ่งหนักเน่นหนึ 1, หนน่งเหมือนว่าชันจังหันเซิดแล้วก็อุปชา ผู้ก่อกคงจะลงมามานางอุปชาแล้วก็คงจะมีการบวชประมาณสัก30นาทีก็นาจะแล้วใส่เวลาบนน้านนอกบวชสององค์เมื่อวานหลวงพ่อขอบโยูเนี่ยชั้นทางนอกฉันจุอุดรเมื่ออื่นก็สิบโยูเอกเนี่ย เบื่อเห่อเื่อเห่อชั้นแข่งฮันแล้วก็จะเฝ้าออกอีกจักแม่นยังตองม่ยังช่วงเนี่ยแต่ไม่จริงหลวงพ่อเถาแกแระนาจะได้พักพรเท่าถ้าได้แห้งเขาแห้งใสแห้งขลังไปนาเชื่อกันกับพระพุทธรูปอายุหลายปีเองะนะกันนะกันพระพุทธรูปสางไม่นี่กิดม่ค่อยขังพอด้ยกันอายุเป็นตั้งแต่อูท่องบอก กรุงศรีอยุธยาเป็นพระขเมนมาตั้งแต่ดึกดำบนนณอายุยืนเทไดอายุยาวเทไรแข้งขังพระพุทธรลกอันใดขค้อกันพระอยุแกทเทไเวาแห้งใสจนหาเวลาบผักพรอยมาใการบอกไปขยักจังไดคนหูจักกันไปมาหาสู้กัน พูทนยังไปได้ได้มาของก็หน่อยของก็ผมไปยังไปพอไดอ้ลากไปไทยมากยังไงคนทีท่ชุดก็ออเออไปก็ไปสรุปเราก็ไปก็เป็นที่พ่อใจเป็นที่สบายใจมิมนคู่บายจานมาในงานที่งานที่เป็นที่หูจัก เมือเนีเป็นวันบวชนาคบวชนาคขึ้นกันพอแม่พี่น้องปู่าตา ย, าย่ยาญาติมิตรสหายที่หูจักมักคุนโดยเฉพาะยางยิงพ่อแม่นั่นอ่ะจะได้บวชลูกไว้ในพระพุทธศาสนากะดีอกดีใจตแต่ลูกเกิดมาที่แรกเป็นลูกชายเกิดมากน่จะได้บวชให้พ่อให้แม่ ก็คืดไปจังสันโดยมากพุทธศาสนิกะชนพอใหญ่ขีดมากก็แเลียนหนังสือเป็นไปได้พอพิคงพิการเมื่อจบจากการเลียนได้เข่าทำการงานกนะบวชพอให้แม่ซจก้อนต่อไปก็จะได้แต่งการแต่งงานทำการทำงานทำมาหาเลี่ยงชีพต่อไป อันนั้นก็คือชีวิตของพุทธศาสนิกะชนที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ปุญาตายาย่ก็มาถึงยุคนี้ถึงจะบกเข้มงวดกวดขันถึงยุคสมัยเ ก, ากย่าก็ยังสืบเรื่องอยอยังหวังอยากจะให้ลูกบวชในพระพุทธศาสนาย่างหน่อยก็ให้ได้เห็นผ่าเหลืองของลูกเป็นธงชยัย หรืเป็นธงพระอริยะคือเป็นธงธงประดับของพระพุทธศาสนาให้ได้เห็นว่าลูกของเหง้าได้บวชได้คล้องผ่ากาสาวพัดเป็นผ่าที่พระพุทธเจ้าพระหัารผูกมดจดจากกิเลสคล้องสีนี่สีเหลืองผนะ่าสีเหลืองเป็นผ่ากาสาวพัด เป็นผ่าที่เคารพทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตลอดถึงสัตว์ทิรไรฉานเขาให้ความเคารพในภาากาสวพัสิ์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพยกให้พวกพุทธบริษัทได้ศึกษาได้ฟังขนาดเป็นสัตว์ที่ไรฉานเป็นช่าง กรย่งเขา่ารลกผ่ากาสวัพัดแต่หลวงตามหาบัวเพ้นกระบอกว่าเพ้นกระบอกคือกันขันนาวะพวกสัดขึ้นกันแต่ว่าเห็นพระเห็นผ่ากาสวพัดผ่าเขาไม่ได้ปาดพวกเก่งพวกกวางพวกสัตว์ทั้งหลายเขาก็เบึงเขาก็บอกกลัวกันว่าเห็นเสือดําเห็น อญาดง่อมไปขนาดนั้นแล้หัวสุกหัวสุนฮะคล้ายกับว่าเบิ้งแล้วมันเป็นผิดเป็นไพ่สําหรับเขาถ้าเห็นผ่ากาสาวพัดผ่านไปนบมเคยเห็นอย่างเขาบมเคยที่จะเบียดเบียนเขาผมเคยข่าเขาเขามองดูแล้วเขาก็สบายใจในสัดธิรฉานแต่ขนาดชัดธิรฉานเขายังรู้ว่าผ่าเนี่ยเป็นผ่าท่งใช่ของพระหัน ผากาสาวพัดเพราะนั้นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายทั้งหลายถือว่าได้บวชในพระพุทธศาสนาคือผู้ส่งผากาสาวพัดคือผาของพระอริยะผู้มดจดจากกิเลสผานี่แต่ว่าผู้ส่งผู้ส่งเท่านั้นบัดที่มดจดจากกิเลสตามผาบ่บางโคต็ใส่ผากาสาวพัดเฮ็ดไปในทั้งซัว ทำไปในท่างซัวคิดไปในท่างซัวเอาผ่ากาสะวพัดผ่ากาสะวพัดหุ่มเจาะองะเหลือเฮ็ดไปในท่างทีบพถกต้องตามถาม้ำคําสอนเฮ็ดโพถูกต้องตามถ้ำวินัยเฮ็ดโพถูกต้องตามระยะประเพณีที่พ่อแม่กู้บายจานหรือว่า พระอริยะสงสาบอกเพิ่นภาพปฏิบัติมากอันนี้มันก็เคยมีคือกันพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าเพิ่นว่าผูถิผาข้องผากาสาวัตเห็ดคว่มสัวคือแอบอ้างเอาผากาสาวัตมาคุ่มเจ้าของก็เห็ดความซัวก็คยมีมาแล้ว พระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระเจ้าข่าทิติวาอภ า, าคุ้มจุกของเลยเหตุความส่วนที่พระพุทธเจ้าจะส่งปาลบถึงพระพุทธเจ้าพ้นว่าสมัยหนึ่งมีสร้างสัตท่านอยู่ในป่าหิมะพลาดมีบริวนันมากไม่ แต่ว่าสร้างตัวนี้นั่นมีบริวารหลายไปหากินเนี่ยกรนับหมูบางทีกับยางกอรมูไปก็ไ ป, ปไปเห็นพระประเจดเนี่ยพอไปเห็นพระประเจดแล้วก็สร้างทั้งหลายก็ น, นั่งคุกเข่ากราบสักวันหัวหน้าผ้ากราบลูกน้องก็กราบพระประเจดแล้วก็หากินต่อไปอันนั้นคือเขารลบ ภาคการสวัสดิ์บายฮนีนมีน้าผ่านผู้นึงมายันในกลุ่มพระราษฎสีออกไปหาลาดสัตว์ในปา่ามันกัเขาใกล้สร้างบ่ได้พ่อได้ยินเสียงสร้างกระแตกเฮ่อหลุดมันถือกินคนสร้างเป็นสร้างแสนรูอีกต่างหากสร้างอยู่เป็นกลุ่มอีกต่างหากเขาใกล้เขบ่ได้ขั้นเขาจิงยางเขาไปใกล้จิตถัวมันจะขาว มันจะร่มขาเอาเลยมันสร้างมันฉลาดนะทีนี้ที่เขาไปไก่เฮ็ดยังไงหาอุบายใช่ไหมหาอุบายสิขาสร้างบัดแล้วก็ไปเห็นสร้างเขารบพระประเจกพอเห็นแต่นนั้นก็เขารบพระประเจกบานนี่พระประเจกเคนไปไปส่งน้ำพอไปส่งน้ำนายผ่านไปขโมยผ่าพระประเจกานีป เบิ่งเบ่งบ็ไปตบบาทแต่ยังว่าผาสมัยน้องก็มัผผาผาพื้นหายากโป่แห้งแล้วยังไปขโมยผาพื้นอีกเนาะยากได้ผาเหลืองพ่อไปขโมยผาพระประเจกมันแล้วปไต่มั่นอะไรก็ทําำทาวโฮมขึ้นไปเป็นพระประเจกใช่แล้วสร้างมันก็โม่งจักแล้วเม็นบ่ละเออมันเห็นมันก็เห็นผาหุ้มคุ้มมันก็กราบพอกราบแล้วก็ไปกาบแล้วก็ไป ขั้นตัวใดมาซาๆาลาลาละลังบางที amed, nuclear, ่เป็นสร้างตัวมีง่าตัวมีง่ามากกันแล้วออธะนที่อาบต้วยยาพิษนี่ยิ่งหลดแล้วยนี่ยงเติบปลดันไปที่มันมากกับเขาไปส้ามก็ถือยาพิษก็ลเลลาลาเลลลาลาไปตายตายแล้วก็ตัดง่าบันเก็บง่าไป ลำเลี่ยงกับเมื่อขายวันเราก็ไปนั่งอยู่มองอื้นอนเอกสร้างหัวหนามน ก, กระกาบตัวนั่งกระกาบขันโมได้ว่าเป็นสร้างง่าก็ระเบาเบี่นเสียแต่มันบมมีสร้างง่าแต่แฉเออเอาพ่อจะเอาจาแหละเนือมันแล้วก็เอาไปให้ลูกน้องกับมาขายเอาเนือมันขายเอาเนือช้าง บ่าทนี้สร้างทั้งหลายแหล่นะี่มันกับคอยลอยลอไปเรื่อยๆนะมันว่ามันจะไปทางเก่าได้สร้างข้าวหนึ่งไปจะไปทางหนึ่งทางหนึ่งมันก็จะไปทางนึ่งมันปุูกปากร่างว่าเนี่หัวหน้าใหญ่มันเอ๊ะเป็นอย่างบริวารก็ ย, ยังมดไปมดไปทั้งซีมันเปิดหนาหมดที่เห็นเห็นมากแต่เพินแต่ว่าพระปิจกนั่นแล้วนางอยู่หัน สร้างตัวไนตั้งความสังเกตใช่ไหมความตั้งตั้งความสงสัยนั่นแหละคือปัญญานะทุกสิ่งทุกอย่างให้ตั้งความสงสัยเอาไว้แต่อย่าไปสงสัยเปิ้นว่าอย่าไปสงสัยขันไปสงสัยแล้วมันทุกให้ตั้งความสงสัยเอาไว้ว่าไพนี่มันจะเกิดมาด้วยเหตุอันใดมันเป็นอย่างสีนะ่นี่เป็นหัวหนาตกเป็นดังสัน พอตั้งความสงสัยเอสงสัยทิ่มันน่ายพ่านผมหรือว่าพระประเจกคมผ่าเหลืองแม่นพระประเจ ก, กแท้บ อ, อสั่นเลยสร้างว่าสร้างว่าแม่นพระประเจ ก, กแท้ก็พบเป็นอย่างอันนี้แม่นมนพระประเจ ก, กแท้บ อ, อสั่นเลยเนี่ยนะตั้งความสงสัยไวอะไรได้บ้า้พ่อต่อมาเนี่ก็สร้างไงตัวนี้ก็ย่งาง ลาลาละลั่งลาลาละลั่งน้ำโกนมู่ะไรไลูกน่อง ก, กับพานไปมัดแล้หลมตัวเองก็กินยาพวากีข้าวกีมากก็เห็นว่าพบเจเอกอยู่หมองนั้นแ่ะเพราะเห็นก่อนแล้วอะไรก็ยางมากเฮ็ดบังสังเกตตัวนี้นไปพอสังเกตเห็นเท่านั้นแหละเห็นจังหวะที่จะยิ่งได้เอาทะโนมากกับ เย่งเลยแล้วไปอพอเย่งเสร็จแล้วก็สร้างทีนี่ก็ถูกลูกโธโนได้ก็แลนมาตะคบเลยตะคบเห็นผาพระประเจกก็กระเบนคนธรรมดาที่กระเทิบไปมันแล้วเลยแล้วไไอันนี้ม่นผาทงชัยพระละหันบก่าขาล้ำลึกถึงพระพุทธเจ้าประทรบประสงระลึกถึงคุณง่ามความดี ผูข้องผาจึงสี่เป็นผูมดยศจากกิเลสแล้วนะแต่อันนี้ไน่ผ่านมันเต็มด้วยกิเลสข้องผาอันนี้มาเพื่อจะขาผู้อื่นแต่ขนาดนั่นสร้างยังบอกากล้า่าได้เพเหตุอะไรพระระลึกถึงพระประเจกถึงจะขาพระเจ้าจะยอมตายข้าพระเจ้าก็จะตายเพราะว่าขาพระเจ้าระลึกถึงพระอารหันต์พระประเจกพระเจ้า นี่แหละอันนี้ก็คือเพิ่นกันยกเป็นนิทานหรือชาติรกขึ้นมาให้สาธกให้พวกเฮ้าทั้งหลายมอมแมนที่ถ้ำตัวเป็นขราชการใส่ชุดเของมาแลยเฮ็ดความซัวเอ่ห์ต่อนาในเฮ็ดแบบหนึง่งต่อแหลแบบหนึง่งรับหลังมาเฮ็ดแบบนึง่งอันนี้แปลว่าโบซือสัตต์ต่อนาทีของเจ้าของอันนี้ก็เป็นพระขึ้นกัน เหตุข้องผ่ากาสาวพัดจังสี่แต่ว่าเหตุความซัวบ่อยุนในศีลในถ้ำบ่อยุนในหลักถ้ำฟีไนอันนี้ก็เป็นสมณะซัวคือกันเป็นเช่าบ้านเช่าเมืองขึ้นกันเป็นพลเมืองดีว่าตัวเองเป็นคนดีแต่ว่าปัญหาเหตุไปเหตุความซัวอันนี้ก็คือเป็นคนซัวคือกันพราะนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่งยังบอกว่า ผ่ากาสาวพัตเป็นผ่าของพระอริยะเจา้าผู้ใดเขามากข้องถ่า้ส่งตัวเป็นคนดีเครื่องแบบของขรัฐการก็เหมือนกันเป็นเครื่องแบบขึ้นมากกับเป็นคนดีเป็นคนทำการทำงานให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองแต่พัวเข้าข้องเข้าไปแลว้วบรนด์ใส่เครื่องแบบไปในทางทีโบดีอันหันแปลว่าจิ๊พหาย ยิบหายในตัวเองเป็นค้นชัวเพราะปันในผ่านของผากาสวัสดิ์ของพระประเจกขโมยผาพระประเจกมาใช่แล้วก็ถ้ำความซัวเอ่อในการเป็นอยู่พรตายจากชาตินั่นแหละลกไปสู่อเวจีมหานรกนะความซวนเป็นวันความซัวอย่าทํา้ำจะเลยดีกว่าเพราะความซัวเมื่อท้ำแล้วจะทําให้ตนเองเป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อภายหลัง ว่า น, นพวกลุกหลานพระเน้นทั้งหลายได้เของมาบวชในพระพุทธศาสนาได้คล้องผ่ากาศาวพัดของพระพุทธเจ้าให้ตรวจตราดูแนวความคิดเจ้าของการกระทําของเจ้าของการพูดของเจ้าของให้เป็นในทางที่เป็นศีลเป็นธรรมจากนั้นก็นั่มจิตใจของเฮาเข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาอา่า ใหถึงภายในผ่านเป็นปรโยชน์สารเป็นอันชุดทายคือความมุ่งหวังของเฮ้าที่มาบวชก็คือความบริสุทธิ์ลุดพ้นจากอาสวะกิเลสที่มาบองมาเวียนวายขอไม่มาเวียนวายตายเกิดอีกตามรักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าพวกเฮ้ายังมาเวียนวายตายเกิดอยู่นี่แหละเฮาจะต้องได้พบได้เจอสิ่งที่ไดยินได้ฟัง ในขา่าวคูหมือนคูเว้นอย่างที่พวกเข้าได้เห็นนะี่ยม่นนาจะเกิดมันบกเกิดเพราะม่นนาบ้นนาจะมีมันก็มีพอเหตุใดเพราะว่าเข้ายุ่งในโลกเนะี่ยนันเป็นอย่งสี่ละตั้งแต่ยุคนั้นสมัยนี้แต่กักขั่งพุทธการท่าเข้าฟังเมืองใช่ยย่อยเมื่อใดในพระไตรปิฎกโคนขาพอ่อขาแม่ก็มีขนาดเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอาชาติศัตรู ขาพระเจ้าพิมพ์พิสารพญาประเสนลูกชายก็ยึดราชบัลลังก์อันนึ่งเนียดูในพระไตรปิฎกในยุกนั่นเท่านั้นนะทั้งที่พระพุทธเจ้าเป็นบวร ม, มครูสอนศิลธรรมจริยธรรมคนทั้งหลายเป็นพระโสดาพระสกทาข้าพระนาข้ า, าพระหานถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่ง บอมันหน่อยแต่คนซัวก็ยังมีอยู่ในยุคนั้นสมัยนั้นแต่ว่ายุคใดสมัยใดบ่มีขั้งบ่มีพ่อปเจกบ่มีพ ร, รอร พ, รพุทธเจ้าบ่มีพ่อแม่คู่บาอาจารย์แนะนําสั่งสอนศีลธรรมเจดียธรรมแล้วมันจะขนาดไหนโลกนี้นาคิดขึ้นกันเพราะนั้นพพุทธเจ้าบนวายามาเกิดตีที่สุดพยายามทำคิดใจขอ ง, ง ต, นตนเองให้พ้นทุกข์ อ่นายวัตตะสงสารนั่นแหละเลิดประเสริฐถ้าว่าเฮาจะเมาเวียนวายตายเกิดบอกว่ายุคนั้นสมัยนี้หรือว่ายุคต่อไปไายภาคนาก็จะต้องได้พบได้เจอได้เห็นกับจกของนั่นแหะเป็นอันดับแปลกอันนะ้นพวกเฮาประกอบคุณงามความดีจะตั้งอยู่ในความประมาทเน้อสรุปแล้วนะอาราพอนอนุโมทนาหายพร